บทที่14ความเป็นสหายกันในโลกทิพย์ผู้ที่เป็นคนช่างคิดมักจะสงสัยเกี่ยวกับปัญหาที่ว่าเมื่อโลกหน้ามีจริงแล้วเราจะไปพบกันและรู้จักกันเหมือนดังเดิมไหมแน่นอนปัญหานี้ก็มีรากฐานมาจากความผูกพันกันซึ่งยังคงมีอยู่โดยไม่เสื่อมคลายไปสำหรับคนทั่วไป ที่มีความอาลัยและความผูกพันอยู่กับคนผู้เป็นที่รักของตนในโลกนี้ยังมอดรู้สึกไม่ได้ว่าแม้สวรรค์จะมีความสุขสำราญให้เข้าหลายอย่างก็ตามแต่เขาก็ยังจะมีความสุขอย่างแท้จริงไม่ได้ถ้าไม่ได้มีโอกาสได้อยู่ร่วมกับคนที่เขาเคยรักชอบพอกันมาแต่ก่อนเพราะถ้าไม่มีเช่นนั้นเขาก็รู้สึกว่าจะต้องไปอยู่กับคนแปลกหน้าทั้งสิน้นซึ่งจะหาความสุขได้ยาก อำนาจความผูกพันด้วยความรักนี้ไม่ได้หมายถึงความรักระหว่างชายกับหญิงหรือสามีกับภรรยาเท่านั้นแต่หมายความรวมถึงความผูกพันระหว่างบิดามารดากับบุตรญาติกับญาติพี่กับน้องและเพื่อนกับเพื่อนอีกด้วยมิตรภาพและความสัมพันธ์ไม่มีวันสิน้นสุดถ้าเรายัางไม่ต้องการให้สิน้นสุด ในเรื่องนี้คําสอนของทางฝ่ายโยคีมีระบุไว้อย่างแน่ชัดว่าความหวังดังกล่าวนั้นย่อมมีทางสําเร็จได้อย่างแน่นอนนอกจากว่าเราจะต้องพบญาติมิตรที่เรารักใคร่สนิทสนมกันในโลกมนุษย์ในเมื่อเขาเหล่านั้นไม่ได้ไปอยู่ในทุกขติภูมิหรือนรกแล้วเราจะยังได้รู้จักมาคุ้นกับบุคคลอื่นๆอีกมากมายซึ่งล้วนแต่มีอุปนิสัยใจคออย่างเดียวกันซึ่งเราไม่เคยได้รู้จักกันมาก่อนในโลกมนุษย์อีกด้วย และบุคคลเหล่านี้แม้จะไม่ใช่ญาติหรือมิตรกันมาแต่เดิมแต่ก็จะมีความสนิทสนมกันได้เป็นอย่างดีด้วยคุณธรรมภายในไม่น้อยไปกว่าผู้ที่เคยเป็นญาติมิตรกันมาแต่ก่อนเลยโอกาสเช่นนี้กล่าวได้ว่ามีอยู่ในโลกทิพย์มากกว่าในโลกมนุษย์หลายเท่านักเพราะไม่มีเขตแดนหรือระยะทางเป็นอุปสรรคเมื่อได้สลัดปลอกหรือเปลือกคือกายเนื้อออกไปแล้ว วิญญาณจะมีโอกาสเข้าร่วมสมาคมกับผู้ที่มีนิสัยใจคอและความโน้มเอียงอย่างเดียวกันคือผู้ที่ได้บำเพ็ญบรารมีมาใน ด, ด้านเดียวกันเป็นอย่างดีกล่าวคือเมื่อไฟในโลกทิพย์ได้เผาความอาลัยในกายหยาบให้หมอดไหม้ไปแล้วต่อจากนั้นวิญญาณก็จะเข้าถึงภูมิแห่งความสัมพันธ์อันประนีตจะมีโอกาสได้คบหาสมาคมกับบุคคลที่มีอุดมคติ หรือมีบารมีตรงกันกับลักษณะที่ตนได้เคยใฝ่ฝันอยากจะพบมาแต่ครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์แต่ก็หาโอกาสในโลกมนุษย์ไม่ได้เลยแต่เมื่อเข้าถึงภูมิเช่นนี้แล้วโอกาสเช่นนั้นจะเป็นของธรรมดาและจะชดเชยความต้องการที่ถูกขัดขวางอยู่ตลอดเวลาในโลกมนุษย์ได้ณภูมิแห่งโลกทิพนี้เองในโลกมนุษย์เราจะต้องยอมรับว่า การแสดงออกซึ่งความถนัดหรือความโน้มน้อมของแต่ละคนนั้นเป็นไปได้ด้วยยากอย่างเหลือแสนเพราะอุปสรรคต่างๆมีมากมายเหลือเกินและนี่เป็นเรื่องที่น่าเศร้าอย่างหนึ่งของชีวิตในโลกมนุษย์มนุษย์ส่วนมากตกอยู่ในสภาวะดังกล่าวจนเกิดความชินชาและเมื่อได้ทราบถึงเรื่องแห่งภูมิทิศที่บุคคลมีอิสระเสรีสามารถดำเนิน ง, งานสนองความปรารถนาหรือความโน้มน้อมของตนได้อย่างสมใจเช่นนี้ ก็เลยเกิดความคิดวิตถานคือไม่ยอมเชื่อโดยอ้างเหตุผลว่าเรื่องดังกล่าวนี้เป็นสิ่งที่ดีเหลือเกินจนกระทั่งถึงอย่างไรอย่างไรก็เป็นความจริงไปไม่ได้ความรักของชายกับหญิงในแบบที่ถูกต้องก็มีลักษณะดังกล่าวนี้อยู่ด้วยเหมือนกันคือต่างฝ่ายต่างก็ต้องการจะช่วยกันบำเพ็ญบา ร, รมีไปด้วยกันตามความโน้มน้อมภายในของตน แต่แล้วก็ปรากฏว่ามีน้อยรายเหลือเกินที่สามารถจะกระทาได้สมใจในโลกมนุษย์เพราะส่วนมากก็ต้องถูกฉุดกระชากลากให้จมอยู่ในหลงโคลนคือวัตถุนั่นเองแม้ความสัมพันธ์เกี่ยวเนื่องระหว่างบิดามารดากับบุตรธิดาระหว่างพี่กับน้องระหว่างญาติกับญาติและระหว่างเพื่อนกับเพื่อนก็หาได้ยากเหลือเกิน ที่จะดำเนินไปตามความต้องการของอำนาจฝ่ายสูงที่เรียกร้องและกระตุ้นเตือนอยู่ภายในดังนั้นเมื่อวิญญาณได้ผ่านเข้ามาสู่โลกทิพย์อันเป็นที่ที่ตนสามารถจะดำเนินงานสนองความปรารถนาอันเป็นในทางสร้างสรรค์ของตนได้อย่างสมใจเช่นนั้นลองคิดดูก็ละกันว่าความสุขและปิติปราโมทจะเกิดขึ้นสักเพียงใด ลองสังเกต ด, ดูตนเองเมื่อเราอ่านนวนิยายดูภาพยนตร์หรือละครหรืออ่านบทกวีที่มีแนวโน้มจูงให้เรารู้สึกว่าความปรารถนาที่ถูกกดทับของเราได้เป็นความจริงขึ้นมาแล้วเราก็จะมีความสุขราบซ้างใจขึ้นมาที่พักหนึ่งเหมือนกันทั้งๆ ท, ที่เราก็รู้อยู่ว่านั่นเป็นเพียงสิ่งที่ปรากฏขึ้นแต่เพียงในบทกวีบทละครหรือนิยายเท่านั้นเอง แต่ทาว่าในขณะที่เรารู้สึกปลื้มปิติไปตามข้อความหรือโครงเรื่องเหล่านั้นใจของเราก็จะเป็นเสมือนถูกยกให้ลอยออกไปนอกตัวเกิดความเบาและสบายอย่างบอกไม่ถูกมันเหมือนว่าเราได้ไปอยู่ณอีกภูมิหนึ่งซึ่งไม่ใช่โลกมนุษย์นี้แล้วฉะนั้นก็เพียงแต่เราได้ชิมรสของของเทียมอันเกิดจากความคิดฟันของผู้อื่นที่ตรงกับของเรายังเป็นสุขถึงขนาดนี้ และเมื่อเราได้โอกาสได้มีประสบการณ์เช่นนี้จริงๆในชีวิตของเราจนตลอดอายุไขของเราแล้วลองคิดดูทีรู้ว่ามันจะเป็นความสุขเป็นความปีติเป็นความปราโม้นสักเพียงไรจึงเป็นอันรับประกันได้อย่างแน่นอนว่าเราจะพบผู้ที่เรารักใคร่ชอบพออย่างแน่นอนและทางนี้ก็มีความหมายกว้างออกไปอีกถึงสองนัยยะคือไม่ใช่เฉพาะแต่ผู้ที่เราชอบพอสนิทสนม ซึ่งเคยรู้จักและมีความสัมพันธ์กันตั้งแต่ครั้งยังอยู่ในโลกมนุษย์เท่านั้นแต่ท้าว่าเรายังจะได้พบผู้ที่มีความสัมพันธ์กับเราโดยทางอัธยาศัยจิตใจหรือการบำเพ็ญบา ร, รมีอีกด้วยแม้ว่าเราจะไม่ได้รู้จักกับบุคคลเช่นนี้มาก่อนเมื่อครั้งอยู่ในโลกมนุษย์ก็ตามขอให้ทราบไว้ว่าความคิดคำนึงของเราผู้อยู่ในโลกมนุษย์นี้ แม้จะใช้ความคิดสันนิษฐานและวาดภาพไปสักเท่าใดก็จะไม่เท่าเทียมความเป็นจริงของชีวิตที่ท่านจะได้ประสบด้วยตนเองในเมื่อได้เข้าสู่ภูมิทิพย์ดังกล่าวแล้วนี้ได้เลยไม่มีผู้การใดที่จะระบายสีสภาวะความเป็นอยู่ของภูมิทิพย์ดังกล่าวนี้แล้วก็ไม่มีคำพูดใดๆจะสามารถบรรยายออกมาให้ท่านตระหนักและเข้าถึงได้อย่างท่องแท้ ท่านจะนึกวาดภาพหรือคิดฝันไว้ให้พิเศษเพียงใดก็ได้แต่ก็ขอให้ระลึกไว้เสมอว่าความจริงจะวิเศษกว่านั้นเสมอและถ้าเราจะนึกฝันให้ใกล้เคียงกับความจริงก็จงเทียบเคียงได้กับบทกวีที่ไพเราะจับใจที่สุดนิยายที่ทำให้เกิดความประทับใจที่สุดหรือบทเพลงและดนตรีที่ทาให้ความชื่นบานและความเบากายเบาใจที่สุดนั่นละ่ะ จะเป็นส่วนหนึ่งแห่งประสบการณ์ของท่านในภูมิดังกล่าวนี้อันที่จริงบทกวีนิยายหรือดนตรีเหล่านี้เองเป็นเครื่องฟื้นความจำในอดีตของเราให้เกิดขึ้นอย่างเลือนรางและทำให้จิตของเราล่องลอยออกจากเครื่องคุมขังคือกายเนื้อได้เป็นครั้งกลาวเพียงแต่ว่าจะให้สมบูรณ์ถูกต้องหรือเต็มที่เหมือนกับประสบการณ์จริงๆ ย่อมไม่ได้เป็นธรรมดาและบทกวีของชาวตะวันตกบางท่านก็สแสดงให้เห็นถึงความทรงจำมันเลือนรางนี้ได้พอสมควรแม้จะเป็นถ้อยคาที่กระท่อนกระแทนก็ตามวิตแมนได้เขียนบทกวีไว้ในทํานองนี้ดังนี้ฉันคงจะไม่ใช่ตื่นเซล่ากระมังเพราะประสบการณ์ของฉันตอนนี้ ดูมันไม่เหมือนอะไรๆที่ฉันเคยรู้เคยเห็นมาเมื่อตอนตื่นอยู่เลยหรือมิฉะนั้นฉันเพิ่งจะตื่นขึ้นเป็นครั้งแรกก็ได้ซึ่งก็หมายความว่าประสบการณ์ของฉันที่เล่ามาทั้งหมดนั้นเป็นเรื่องในระหว่างหลับคือความฝันเท่านั้นเองฉันพยายามจะเล่าให้เพื่อนสนิทที่สุดฟังแต่ก็หมดปัญญามันไม่มีภาษาพูดสาหรับลิ้นเอาจริงๆในที่สุดฉันก็ต้องกลายเป็นคนใบ้ พูดไม่ออกบอกไม่ถูกอิเมอสันก็กล่าวบรรยายความรู้สึกอัดอัน้นตันใจของเขาไว้ดังต่อไปนี้คาพูดบรรยายจากผูดอยู่ในภูมิชั้นสูงนั้นถึงจะพูดไปสักเท่าใดก็ไม่มีความหมายสำหรับผู้ที่อยู่ภูมิแห่งจิตยังก้าวขึ้นไปไม่ถึงระดับเดียวกันฉันไม่กล้าพูดจริงๆ จะกล่าวอย่างไรมันก็ไม่ถึงความจริงมันกลายเป็นตายด้านและเจือชืดไม่มีชีวิตชีวาบุคคลใดที่สามารถจะเข้าถึงได้ก็จะรู้เนื้อความนี้เองและเมื่อรู้แล้วก็จะเห็นว่าคำบรรยายทั้งหลายมีความหมายอันลึกซึ้งซับซ้านซ่อนอยู่เบื้องหลังทำให้เกิดความเข้าใจกันได้ทั่วสากลสำหรับผู้ที่มีจิตใจระดับเดียวกัน ข้าพเจ้าไม่สามารถสรรหาคำพูดอันสูงส่งและลึกซึ้งมาบรรยายให้ถึงใจได้ดังนั้นก็ต้องใช้คำพูดสามาัญนี่เองเพื่อที่จะบรรยายถึงสภาวะอันเป็นการแสดงออกของกฎแห่งความจริงอันสูงสุดความเข้าถึงใจกันในโลกทิพย์ ความจริงที่ข้าพเจ้าใคร่ขอให้ท่านผู้อา่านระลึกถึงในตอนนี้ก็คือความจริงที่ได้กล่าวมาหลายครั้งแล้วว่าภูมิแห่งโลกทิพย์ไม่ได้เป็นสถานที่ตามความหมายที่เราเข้าใจกันอยู่ในโลกมนุษย์แต่ทว่ามีลักษณะเป็นสภาวะเสีมากกว่าดังนั้นคำกล่าวที่ว่าเราได้เข้าถึงโลกหรือภูมิทิพย์แห่งเดียวกันกับผู้ที่เราคุ้นเคยหรือผู้ที่บำเพ็ญบา ร, รมีไปในทํานองเดียวกันนั้นก็จะหมายความว่า เราได้เข้าถึงสภาวะแห่งจิตใจของผู้ที่มีความโน้มน้อมและอัธยาสายใจคออย่างเดียวกันนั่นเองซึ่งก็หมายความว่าเราได้เข้าใจหรือเข้าถึงใจของกันและกันอย่างสนิทสนมซึ่งจะเป็นความสนิทสนมยิ่งกว่าความใกล้ชิดกันโดยสถานที่หรืออวัการในโลกมนุษย์มากมายนักเพราะความเข้าถึงใจย่อมมีอิทธิพลส่งให้กันและกันได้ดีเป็นพิเศษ และเป็นความเข้าใกล้ชิดกันอย่างแท้จริงวิญญาณที่มีความประนีตพอสมควรเท่านั้นจึงจะเข้าถึงความหมายดังที่บรรยายมานี้ได้สำหรับโลกมนุษย์เราอาจอุ ป, ปมาให้เห็นคร่าวๆพอเป็นแนวทางกว้างๆบ้างก็เช่นในเวลาที่ชายหนุ่มหญิงสาวเกิดความรักกันและกันอย่างซาบซึ้งถึงใจซึ่งในระยะนี้หรือในขณะเช่นนี้เขาทั้งสองจะรู้สึกว่า ดวงใจของเขาทั้งสองดวงได้ประสานกลายเป็นดวงเดียวกันจริงๆในขณะนั้นจิตของเขาได้ถูกอิทธิพลของความรักครอบงำทำให้สามารถเพิกถอนเครื่องกิดขวางคือกายเนื้อและลืมกายเนื้อไปได้ชั่วคราวกล่าวอีกในาย่าหนึ่งก็คือในขณะแห่งความสุขอันเอิบอาไปด้วยความรักมีความรักเป็นเครื่องโสรถส่งหัวใจให้ชุ่มชื่นนั้น เขาได้ปล่อยวางความยึดถือในกายอยากไปแล้วได้จริงๆแม้จะเป็นชั่วขณะหนึ่งก็ตามและในขณะดังกล่าวนี้เองดวงใจทั้งสองของเขาได้เข้าถึงคือเข้าอยู่ในสภาวะอันเดียวกันดังกล่าวมาแล้วข้างต้นนั้นในขณะที่เปลี่ยนไปด้วยความสุขเช่นนี้ความเป็นสองของใจจะไม่มีแต่คงเหลือเฉพาะความเป็นหนึ่งของดวงใจทั้งสอง ซึ่งจะสนิทแนบแน่นเป็นดวงเดียวกันนี่คือข้ออุปมาพอให้ท่านผู้อ่านสามารถวาดมโนภาพได้บ้างรง่างว่าสภาวะของใจที่เข้าใจกันหรือว่าเข้าถึงกันนั้นโดยแท้จริงในภูมิทิศแล้วควรจะมีลักษณะเป็นอย่างไรกัลยานามิตร ในโลกทิพย์ในที่นี้อาจมีคำถามสอดแทรกเข้ามาว่าถ้าสมมุติว่าวิญญาณของผู้ที่รู้จักสนิทสนมกันและยังมีความอาลัยต่อกันเกิดไปอยู่ในภูมิทิพย์คนละภูมิเช่นนี้จะมีโอกาสที่จะได้มาอยู่ร่วมสุขกันได้ไหมขอตอบว่ายังมีทางเป็นไปได้ด้วยวิธีการดังนี้คือ วิญญาณที่อยู่ในภูมิสูงขึ้นไปจะรู้สึกถึงแรงดึงดูดเรียกหาของวิญญาณที่อยู่ในภูมิต่ำและจะตอบสนองแรงเรียกหานั้นโดยการสร้างเครื่องสื่อสารติดต่อทางใจซึ่งอาจเทียบกันได้กักบการสงโทรจิตแบบหนึ่งแต่เ้ว่าแบบนี้เป็นแบบที่สูงกว่าที่เรารู้จักกันในโลกนี้มากโดวยวิธีนี้การติดต่อระหว่างวิญญาณทั้งสองก็จะมีขึ้นได้ และเป็นวิธีการติดต่อหรือโทรรัมนาคมที่ได้ผลรวดเร็วดีกว่าการโทรรัมนาคมของมนุษย์มากนีเป็นวิธีการติดต่อประการหนึ่งแต่ยังมีอีกวิธีหนึ่งเหมือนกันคือในบางครั้งวิญญาณในภูมิสูงก็อาจจะลงมาเยี่ยมวิญญาณในภูมิต่ำด้วยตนเองเลยทีเดียวการติดต่อจะเป็นวิธีดังกล่าวมานี้หรือวิธีอื่นอีกก็ตามจะสามารถทาให้วิญญาณมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดกัน ได้ทุกขณะที่ต้องการไม่มีความเงียบเหงาหรือความเปล่าเปลี่ยวเกิดขึ้นได้เลยในโลกทิพย์ตราบใดที่วิญญาณยังต้องการเรียกร้องขอความช่วยเหลือและการติดต่อจากผู้อื่นเพื่อความเห็นใจและความเข้าใจขอได้โปรดเข้าใจว่าคุณทมความดีงามอันสูงส่งเท่าที่ปรากฏแสดงออกมาให้เราเห็นในหมู่มนุษย์ในโลกมนุษย์นี้ จะไม่มีวันศูนย์ไปเลยในโลกทิพย์นอกจากว่าคุณธรรมเหล่านั้นล้วนแต่จะขยายวงและปริมาณกว้างขวางและเลือกซึ่งออกไปอย่างที่เราจะคาดไม่ถึงทีเดียวสิ่งที่เคยมีอยู่ในโลกนี้และไม่มีอยู่ในโลกทิพย์ที่เป็นฝ่ายสุขติก็คือความเลวร้ายอันเปรียบเหมือนขี้ตะกรและสนิมเป็นเครื่องกัดกร่อนใจต่างๆเท่านั้น มีกฎแห่งธรรมชาติที่ท่านทั้งหลายพึงระลึกไว้ประการหนึ่งคือเมื่อวิญญาณละโลกนี้ไปและผ่านเข้าสู่โลกทิพนั้นวิญญาณก็ไม่ได้หนีหลักธรรมชาติไปเลยเป็นแต่ว่าวิญญาณได้เข้าถึงสภาวะที่กฎธรรมชาติสามารถทำงานได้โดยสะดวกกว่าที่อยู่ในโลกมนุษย์และสภาวะที่ความเป็นอยู่ของชีวิตจะมีลักษณะ ส, สมบูรณ์ดีกว่าสดชื่นกว่าในโลกมนุษย์ซึ่งในกรณีหลังนี้ หมายถึงสุขติภูมิเท่านั้นลักษณะที่เปลี่ยนแปลงนี้จะมีมากมายจนกระทั่งความคิดคำหนึ่งของมนุษย์จะตามไม่ทันทีเดียวเพราะหลังจากความเศร้าหมองอันเป็นเสมือนสนิมแห่งใจได้ถูกเผาหมอดไหมไปด้วยความสันสะเทือนอันมีความถี่สูงของสภาวะอันเป็นทิพแล้ววิญญาณก็ได้รับผลแห่งกรรมหรือความดีที่ตนได้กระทาไว โดยการได้ชีวิตใหม่อันพาสุขสมบูรณ์ดีขึ้นกว่าเดิมชีวิตใหม่นี้เกิดขึ้นด้วยอำนาจของกุศลคือเมตตาหรือความรักชนิดหวังดีด้วยความบริสุทธิ์ใจความรักหรือเมตตาอันมีลักษณะเช่นนี้จะเป็นรากฐานของชีวิตใหม่เป็นที่สิ้นปลายแห่งความกลัวและภัยอันตรายต่างๆซึ่งย่อมผลิตดอกออกช่อมาเป็นความสุขสาราญและในที่สุดก็ผลิตผลออกมาเป็นความสงบ